ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายประสูตรในธรรมบทคือพระกาฐาธรรมบทที่ได้กล่าวมาในวันก่อนนั้นก็ตามนัยยะแห่งพระพุทธดารัสที่ตรัว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นสภาพที่ถึงก่อน เราสมิ์มาแต่ใจเออถ้าใจไม่ดีแล้วเวลาพูดออกมาทางวัจาหรือกระทออกมาทางกายแม้แต่คิดด้วยใจผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะติดตามบุคคลไปเหมือนล้อกเกวียนที่ติดตามรอยเท้าโคไปฉะนั้น <c oughs> ซึ่งได้เล่าตัวอย่าง ชีวิตร่อของพระจักคุบานมาตั้งแต่ต้นประการตัดสินใจออกปวด็ดีหรือแม้แต่ตัดสินใจสมาทานในสัจจกะทุ ด, ดงหรือทุ ด, ดงที่ไม่นั่งจนถึงจุดที่ท่านจะต้องเลือกเอาระหว่างตาแตกกับเสียสัจจะและท่านก็มาเลือกเอาการรักษาสัจจานั้น ก็รุนแ้วแต่เกิดขึ้นมาจากใจทั้งหมดแต่พระพุทธธรรมรัตที่ทรงเน้นจริงๆนั้นอาศัยนิทาอาศัยเรื่องบุพกรรมในอนดีตของท่านในชาติที่ท่านเกิดมาเป็นหมอไปรักษาคนป่วยด้วยยาที่ดีรักษาหายแล้วคนป่วยก็ให้คามั่นสัญญาไว้ที่ออกจะสำคัญ แ, แต่ถ้าหากว่า ตาเขาหายบอดก็จะยอมเป็นทาสรับใช้ทั้งครอบครัวเมื่อหายเข้าก็กลัวว่าจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจึงหลอกหมอว่าไม่หายแล้วเมื่อหมอเห็นว่าคนป่วยไม่ซื่อก็เลยปรุงยาขึ้นมาขนาดหนึ่งหรือทำลายดวงตาเลย แต่ก่อนจะปรุงยาก็ได้ไปปรึกษากับปัญญาแต่ปัญญาไม่ออกความเห็นคือไม่ถึงกับห้ามแต่ไม่ถึงกับจุไม่ออกความเห็นเมื่อหมอปรุงยาแล้วก็นำไปหยอดให้แล้วคนป่วยก็ตาบอดเรียบร้อยแต่ทรงแสดงว่า ก, กรรมนั้นได้ติดตามบุตรของเราไปข้างหลังข้างหลังก็ติดติดตามไปข้างหลังเรื่อย ในที่สุดก็ศโอกาสก็ให้ผลแก่บุตรเราซึ่งประเด็นข้อนี้จะชี้เห็นว่าพฤติกรรมทั้งหมดในชีวิตของเราไม่ว่าในเรื่องปัจจุบันที่กำลังกระทำอยู่ก็ตามในเรื่องอดีตคือที่เราไม่รู้ว่าเราได้ทำอะไรมาไว้บ้างก็ตามนั่นมีผลต่อชีวิตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตของบุคคล ตัวการที่เป็นเครื่องกําหนดอย่างสําคัญก็คือใจตัวเดียวมีนัยยะของพระพุทธํารัสที่ได้จัดไว้ในที่ต่างๆเช่นว่าธรรมทั้งหลายถึงความรวมลงที่จิตดวงเดียวพูตไปพูดมามันก็อยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นเองจิตจึงเป็นตัวแปรที่จะกําหนดบทบาทวิธีชีวิตการตัดสินใจเลือกเดินทางผิดถูกอะไรเป็นต้นของคน ก็อยู่ที่จิตทั้งหมดการเลือกทางชีวิตของบุคคลระหว่างจุนการกับาหาการก็เรื่องที่ใจคนหนึ่งยินดีในสุขสมบัติซึ่งเป็นโลกียวิสัยก็เป็นเรื่องความเหมาะความควรความดีงามของท่านในชั้นหนึ่งท่านก็เลือกเอาเองท่งานหาการังท่านก็เลือกของท่านในทางหนึ่งแล้วก็เรื่อยมาจากเรื่องราวทั้งหมดจึงท่านจะเห็นว่าตัวการสาคัญนั้นอยู่ที่จิตทั้งหมด และจิตที่เป็นเหตุนำให้ท่านต้องบรรลุอรหรัตต์กัน <c oughs> ก็เป็นเรื่องของจิตซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแม้จะสมมติว่าท่านจะเลิกอธิษฐานคือสัจจาอธิษฐานที่ตั้งเอาไว้แต่ไม่ใช่ตั้งเฉยเฉยมันเป็นการปฏิญญาด้วยคือไปประกาศในท่ามกลางเพื่อนภิสูอีก59าารูปด้วยว่าท่านจะไม่นอนตลอดพรรษา ทีนี้เมื่อถึงคราวที่หมอเกณฑ์ให้นอนเพื่อหยอดตาสมมติว่าท่านจะเลิกมันก็เป็นแค่คือในชั้นของศีลเราจะพบว่าเดิมจริงๆนั้นตั้งใจไม่ว่าจะทำไม่ได้ตามนั้นแต่เมื่อทำไม่ได้ตามนั้นศีลเขาก็ไม่เอาแรงบรงาลีตั้ช้คำว่าปฏิสวะ คือเป็นความผิดเพราะไปตกลงเพราะไปรับคาเพราะไปนัดหมายไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าเจตนาจะให้คลาดเคลื่อนมีมาก่อนนะฮะตเจตนาจะไม่ทำมีมาก่อนนะั้นก็เต็มรูปแต่ว่าถ้าเจตนาเดิมไม่ได้มีว่าจะไปละเมิดสัจจะปฏิญาณหรือคำมั่นสัญญาหรือคำอธิษฐานโทษในทางวินัยไม่แรงถ้าเทียบอาบัติเขาเรียกอาบัติทุกก บาลีใช้คำว่าปฏิสวะทุกก์ทุกก์ไปว่าทาไม่ดีคนะารวาดก็มีขนาดนั้นแต่ปัญหาสําคัญที่สุดก็คือปัญหาทางใจเราแสดงเห็นว่าท่านเป็นคนอจริงมาตลอดนะท่านจักกุบานเนี่ยสมัยนั้นก็ชื่อมาาปาละแล้วท่านแยกอะไรได้ชัดเจนมาตลอดเส้นทางของท่านทุกขั้นตอนท่านแยกได้มาตลอด ถ้าว่าท่านจะนอนหยอดจะถามว่ามันจะบรรลุอรหัตได้ไหมมันก็บรรลุอยู่นั่นแหละแต่จะต้องช้าทําไมต้องช้าเพราะไอ้ตัวสัตว์จะใ น, นมันหย่อนอธิษฐานมันหย่อนความพยามันหย่อนคืออินทรีย์แทนที่มันจะขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยฮะวิญินณสีก็สูงแล้วสตินรีก็สูงแล้วสมาธิินรีก็สูงแล้วแต่ถ้าพอท่านหย่อนปับไอ้ตัววิญญาณสีนี่จะหย่อนนั่นที เพราะท่านไป น, นอนไป น, นอนแล้วมันก็กลายเป็นมุต์ชินใจของท่านทาั้งๆที่แสดงอาบัติได้นะฮะในแง่ของวินัยก็แสดงอาบัติเราได้เพราะาไม่ได้เจตนาจะโกหกอะไรมาก่อนท่านก็เลยยอมเลือกเอาให้ตาแตกดีกว่าที่จะทําลายธรรมะเป็นความคิดความอ่านของคนระดับที่เราเรียกว่าสัตบุรุษ บษัทบรุดนั้นถึงภาวะวิกฤตจริงๆยังไงก็ตามจะไม่ทิ้งธรรมะแต่นั้นจุดจุดที่ใจพิสูจน์คนมันก็อยู่ที่จุดเผชิญปัญหาไม่ใช่จุดทัท่วไปนะฮะ ย, ยงว่าท่านทั้งหลายรับสินสีนอุบโบสถหรือสินสินบโบสถนี่ไม่ไม่กี่คนนะแต่กี่เ ส, สียงเบาๆแสดงว่าไม่พร้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะลห้าเนี่ย ที่เราสมาทานไปก็อยู่ที่ห้องไม่ละเมิดศีลไม่มีปัญหาใหญ่พยุงจะให้ตกก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรจะละเมิดศีลคือมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตอนตอนนี้ก็ถือว่ามีไว้ก่อนแต่ถ้าไปเผชิญอารมณ์วิกฤตเข้ามีลักษณะยั่วยุ ก, ก็ดียั่วยวนก็ดีเรื่อยาวก็ดีแล้วเรารักษาศีลไว้ได้นี่คือศีลจริง เป็นศีลที่เข้าถึงใจจ ร, งจริงๆคือไม่ทิ้งธรรมะธรรมาเคยพบคนบางคนที่มีเกียรติประวัติดีงามมากเลยในวันสอวันก็ยังคุยๆกันด้วยใจที่ออกจะหัวฝ่อคือสลดใจนะฮะว่าสัตว์ปรุษนี่ถึงจุดหนึ่งทิ้งธรรมะได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่เป็นสัตว์ปรุษจริง สมัยเป็นข้าราชการก็ซื่อสัตย์สุจริตมากไม่ใช่ซื่อสัตย์ทุจริตนะฮะซื่อสัตย์สุจริตจริงๆแล้วเป็นที่ยอมรับของคนในวงการตำแหน่งราชการก็ก้าวมาสูงต่อมาก็ปรากฏว่าก็เกิดวิกฤตการทางครอบครัวดูเหมือนเกิดอุบัติเหตุนะครอบครัวจะตายไปหมดทีงเหลือท่านคนเดียวต่อมาก็ไปได้ภพญาสาว คนแก่ได้มีศาส์นี่ถือไม่ทาวยักแย่ ย, ย, ยักยันมาข้าวสูตรโบราณนะมันก็ชูโชคเอาไงก็ตายก็ตายนะเงยชูโชคอะแล่ตัวอย่างชูโชคมันก็เป็นแบบชีวิตที่จะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งก็ทิ้งธรรมะธรมาที่หลังก็ทั่กระเปไปคือคื อ, ค, อคืออะไรก็ตามะฮะขอให้ได้มาเพื่อจะเอาไปเลี้ยงครอบครัวบำรุงบำเรอความสุขของคนอื่น ขาสารธรรมะมาได้ตั้งหกสิบกว่าปีมาตกมาตายแต่กล้ไข้นี่เองนี่คือคืออะไรคือมันไม่เข้าถึงใจธรรมะนั้นไม่เข้าถึงใจอย่างของท่านจักกุบานเนี่ยมันเข้าถึงใจไม่ว่าอะไรคว้าถล่มดินทลายหมอทั้งขู่ทั้งบอกเลิกทั้งประกาศตัดขาดกันเลยไม่เกี่ยวแล้วแล้วท่านก็บอกว่าชีวิตร่างกายดวงตาของเราจะแตกทาลายไปแท แต่ว่าเราจะไม่ทิ้งจะไม่ทิ้งธรรมะแต่ไม่ทิ้งอธิฐานนะธรรมคือดีท่าน ต, ต, ตั้งเอาไว้แล้วท่านก็ทําได้จริงๆนี่แสดงถึงผลของธรรมะที่เข้าถึงใจมันมีภูมิคุ้มครองใจอย่างดีเลยเรียกว่ารักษาใจของบุคคลเหล่านั้นไม่ให้กัดแกว่งไม่ว่าวิกฤตการณ์ข้างนอกจะเป็นยังไงก็ตามซึ่งก็เหมือนกับที่พระพเจ้าอุปมา ว่าเป็นช้างที่เข้าสู่สงคราม่าอยู่ที่ใจลูกสอนอาวุธมันก็แน่นอนนะเข้าสงครามจะให้ไม่บาดเจ็บเลยมันก็ต้องนอนอยู่ในห้องแล่เข้าสงครามมันก็ต้องมีอันตรายแต่ถ้ามีความเข้มแข็งมีจิตใจที่กล้าแข็งจริงๆก็สามารถปฏิบัติภารกิจไปได้แต่นี้อาศัยอะไรเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าบารมีท่านนะ ีตอนก่อนเนี่ยก็เรื่องใจบางกันที่มีปัญหาคือบารมีท่านอ่อนค่ารักษานิดเดียวนะฮะถ้ามีวิญญาณหมอพอสมควรนะมันคงจะไอ้ลูกคนป่วยเบี้ยวกัเบี้ยวไปค่อยหาเอาใหม่ก็ได้แต่ตอนนั้นบารมีท่านอ่อนเห็นฮะคือความไอแรงประทะทางใจท่านพอปะทะปั๊บท่านไปเลยตอนชาติก่อนเนี่ยที่จริงถ้าเราเทียบแล้วอันนี้ชีวิตนะฮะคือตาสองตาบอดเลย แต่ท่านยอมได้ยอมให้ตาบอดเพราะอิทตอนชาติก่อนบา ร, รมียังอ่อนอยู่ขนาดคนป่วยเบี้ยวค่ารักษานิดเดียดตันเห่งท่านเอาเฉยเลยเอาปรุงยาให้เขาตาบอดเทอะนี่คืออะไรคือส่วนหนึ่งของบา ร, รมีที่บันต่างกันในชาติต่างกันแล้วเวลาสัมดงออกต่ออารมณ์ที่มากระทบทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าในชาติที่ท่านบนรรลุอรหัสนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่าต่างแยกคือหมอยืนยันเลยว่าตาบอดแน่ แต่ท่านก็ยอมให้ตามบอดไอ้ตัวนัน้นเรื่องเงินนิดเดียวเองไอ้ค่ารักษานิดเดียวแล้วไงหรือแม้แต่จะเอาคนไปเป็นคนใช้ก็เถอะไม่ใช่เราใช้ก็เฉยๆมันต้องเลี้ยงเขาด้วยไม่ใช่ว่าสนุกนักแต่ว่าท่านก็ลู้อำนาจแก่อารมณ์ไปทําความผิดเอาไว้เป็นเรื่องของกรรมที่จะต้องชดใช้เพราะก ร, รมมันตามมาอย่างที่ทรงอุปมาว่าเหมือนกับล้อกเกวียน ติดตามรอยเท้าโคไปก็ตามไปข้างหลังข้างหลังเรื่อยเป็นประเภทเขาเรียกว่าอะไรอปาราประเวทนียกรรมคือกรรมที่จะให้ผลในพบสืบเนื่องไปกรรมประเภทนี้ท่านอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อนะฮะสมัยโบราณก็เห็นได้ชัดสุนัขไล่เนื้อก็ไล่ถึงที่ไหนก็กัดกันที่นั่นหด้เพราะงั้นพระอรหันต์เอง คือก่อนจะบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอหันต์แล้วก็ตามถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่กรรมประเภทหมาไ่เนื้อในมันฐานเมื่อไหรมันมันกัดเพื น, นั้นนั่นเองคือทั้งดีและไม่ดีนะฮะมันที่ตามมามีทั้งกุศลและอกุศลแต่ตอนนี้ก็แสดงถึงผลของอกุศลที่ติดตามท่านมาแล้วก็มาให้ผลแต่ในขณะเดียวกันกุศลกรรมทั้งปัจจุบันก็แสดงบารมีแข็งมากเลยก็ทําให้พร้อมกันนะฮะท่านบอกไม่ก่อนไม่หลังเลย ตาบอดกับ ก, กิเลสดับพร้อมกันนะกิเลสก็ดับพอดีตาก็บอดพอดีเลยก็ได้ได้ทางธรนะฮะได้ปัญญาจากสุแต่ว่าโล ก, กจากสุดับก็แลกกันมาถึงคราวแรกก็กต้องแลกแต่กระทั่งก็ได้สิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจของท่านทั้งถูกทั้งผิดนะฮะ ทั้งถูกทั้งผิดไอ้ที่ถูกก็อํานวยผลใชเต็มที่เหมือนกันที่ผิดก็เอาแรงเหมือนกันคือผิดเป็นผลกับเป็นผลในชาติก่อนมันก็มาเทียบกันดูในสองชาติเราทำให้เรามองเห็นเบื้องหลังคือบา ร, รมีที่อยู่ภายในใจของคนว่าเป็นตัวสําคัญมากได้เกินคนถา้าพอมีบา ร, รมีอ่อนแล้วมันพร้อมที่จะแข่งนะพร้อมที่เรียกว่าสัตว์บุรุษทิ้งธรรมนะฮะคนดีทิ้งธรร ม, มรักษาการมานานได้เกินพอได้อะไรนิดเดียวทิ้งธรรมไปได้ คนบางคนก้าวหน้าในราชการมาสูงส่งพอเดนินไล่คอมมิชชั่นอะไรก้อนตโตโตเข้าก็ไปเลยตกมาตายไปเลยมีก็เพราะอะไรเพราะบา ร, รมีมันอ่อนแต่ถ้าคนบา ร, รมีแข็งจริงๆไม่มีปัญหาไดไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดก็ตามคืออยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะอารมณ์คือก่อให้เกิดอายวุวัฒนะขัดขเคืองนุ่มหลงๆๆมัวมากก็ตามแต่ถ้าบา ร, รมีแข็งจริงเขาอยู่ก็ได้ ลักษณะของดีๆเด็ดเหมือนเพชรเหมือนทองนะฮะถึงไรยเจ้าของก็เหมือนตัวยางถึงซ่อนตูอุดถึงขุดถุงผ่ังค ง, งมีวันปรังอหลังชูเอ่ยมันก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรท่านเหล่านี้แต่ว่าเบื้องหลังที่เป็นภูมิคุ้มกันใจนั้นก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นบา ร, รมีเราเห็นจุดแตกต่างระหว่างสองชาติได้อย่างชัดเจนมากอันนี้ก็ เป็นเรื่องหนึ่งที่แปลกออกมาคือคำว่าสุขาวิปัสสกนะฮะสุขาวิปัสสกแปลว่าแห้งๆอ่ะเป็นเป็นการบรรลุมรรคผลอย่างแห้งๆคือเป็นพระอาหารหันต์แต่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรถ้าหากว่าท่านบรรลุอรหันต์ในแนวอื่นนะฮะพระอินทร์ไม่ต้องมาช่วยหรอกกันไปกันท่านได้แล้วแต่ทีนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ในแนวสุขาวิปัสสก คือกิเลสมันหมดไปเฉยๆแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษไม่มีอะไรเลยพระหันจึงมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันเฉพาะอารหันตสาวกนะฮะคือเนืงสุขวิปัสสกเกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนาล้วนๆพวกนี้ไม่ได้ผ่านสมถะมาก่อนคือไม่อบรมสมาธิมาก่อนก็นิ่งๆก็ยกนามรูปขึ้นพิจารณาตามประรัยลักเลยท่านเดินหน้า่อท่านเต็มตัวท่านกบ็บรรลุมรรผลได้ แต่ว่าก็จบแค่กิเลสหมดบทบาทของพระอาหารหันต์พวกนี้จึงไม่มีผลงานอะไรแร้วเพราะท่านเองก็เทศก็ไม่เป็นอะไรอะไร น, นี่ก็ต้องอาศัยอีกแน่หนึ่งประเภทที่สองนั้นเขาเรียกว่าเตชวิชโชคือมีวิชาสามแตกฉานในวิชาสามวิชาสามก็คือระลึกชาติก่อนได้แล้วก็รู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อาสวัยานจะทาอาสวะให้สิ้นไป จึงเป็นพระยานเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้จัสรุนะครข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของเราอย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นสัจธรรมจริงๆเลยทุกองค์ที่เป็นทิฏฐิสัมปันโนนะครเรียกว่าสมบูรณ์ในทิฏฐิเริ่มจากพระโสดาบันเป็นต้นมาแล้วไม่มีใครแกล้งออกนอกทางพระพุทธเจ้าเลยเวลาผ่านมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วนะฮะไม่มีเคยเค ย, เคยมีคนแกว่งออกจากนอกทางพระพุทธเจ้า พระเจ้ารู้เห็นยังไงท่านเหล่านั้นเห็นเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าเห็นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอนุพุท ธ, ธะคือรู้ตามพระพุทธเจ้ารู้นะรู้ตามที่พระพุทธเจ้ารู้รู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ารู้แต่ก็ไม่ลึกเหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างนะฮะเพราะว่าบารมีคนละชั้นกันแต่กิเลสอะไรท่านก็หมดเหมือนกันซึ่งเป็นการยืนยันถึงความจริงของธรรมะที่ทรงสัจสรูปมาพระอรหันต์ประเภทวิชาสามนั้นจึงเห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าเห็น แล้วก็อภิญญาหกเขาเรียกว่าชร ะ, ะพินโยคือมีอภิญญาหกอภิญญาหกก็มีอะไรคือมีอิทธิวิธิแสดงฤทธิ์ได้ฤทธิ์ที่เป็นกายนะฮะหมายความมาทําด้วยกายเลยเช่นว่าใช้ส่วนมากพวกนี้ใช้อํานาจของกสินเป็นผลจากสมถกรรมฐานก็ใช้อํานาจกสินเช่นว่าไปในอากาศก็ไปได้จริงๆไปได้จริงๆด้วยอะไรนะฮะด้วยอํานาจของ ปัวีกสินคือเดินบนอากาศนะก็เดินด้วยปัตวีกสินก็คล้ายๆกับคนที่ที่ก็เล่นกสินแล้วก็เดินลุยไฟนะฮะที่จริงก็ใช้อโปกสินนะครใช้อโปกสินคือหมายความมันในเทา้าจุดที่เขาเหยียบนั้นมันเป็นน้ำครับเป็นน้ํามสําหรับเขามันเย็นสําหรับเขาถ้าใครจะเดินตามก็เดินเหยียบในจุดเดียวกับเขาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะก็ใช้อโปกสินใช้อโปกสินเดินไปนี่ก็พวกอิทธิวิธิคือแสดงฤทธิ์ที่เหนือวิสัยสามัญมนุษย์ได้ แล้วก็มโนโมยิตนะฮะคือมีฤทธิ์ทางใจรู้ใจของบุคคลอื่นทายใจได้ตลอดจนถึงแยกตัวออกจากร่างสำเนนปัจจุบันเนี่ยก็ใช้กายทิพ์เหมือนกับที่หลวงปู่แหวนนนะขึ้นไปลอยอยู่บนเมฆที่พวกทหารอากาศไปเห็นนะก่อนจะดังนะฮะนี่ก็เรียกพวกพว ก, พวกมโนโมยิตพวกมโนโมยิตชิคือตัวเองนั้นอยู่อีกแห่งหนึ่งแต่ว่ากายก็ไปปรากฏเอมกายทิพ์พูดสำเ น, นนะฮะสํานนปัจจุบันเรียกกายทิพต ก็จะไปอยู่ในแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ประโซดคือหูชิปสามารถกําหนดที่จะฟังเสียงใกล้ๆละเอียดยังไงก็รู้กําหนดหมดคุยยังก็ยังได้กําหนดไก่คุ ย, ยกังไงยังได้อะไรตัวเนี่ยแต่ต้องกําหนดนะฮะต้องกำหนดจะรู้แต่อย่าลืมว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสไม่จะอยากรู้ไปหมดเลยไอ้ผัวเมียก็คุยเรื่องอะไรกนะันว่าแต่งงานได้ไหมไม่ใช่อย่างงั้นเนี่ยเขาไม่ไปกำหนดรู้อย่างนั้นเนะ่ย ไม่ต้องไปห่วงสภาพจิตมันไม่เหมือนกันสามั ญ, ญชนที่ประโสดจึงรรเป็นการกำหนดรู้เฉพาะในกรณีที่ต้องการจะรู้แล้วก็เป็นประโยชน์แกเขาไม่จะเป็นประโยชน์แกท่านต้องการจะเป็นประโยชน์แกเขาเท่านั้นหรือว่าที่ประโสดรู้ที่เป็นเจตโตประยายนะรู้จักใจทายใจคนอื่นได้เข้าใจคนคิดยังไง อย่างคนที่มาฟังเทศหลวงพุทธเจ้าบางทีก็นั่งคิดเอาคิดมาจากบ้านนะท่านไปมานั่งข้างหน้าคิดยังไงพุทธเจ้าเทศตามที่คิดเทศตามที่คิ ด, คดวิธีเป็นวิธีทรมานฮะก็เรียกว่าพวกอาเทศนาปาฏิหารเป็นปาฏิหารอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการถ่ายใจรู้ใจคนที่เอาอย่างนี้แหละฮะแต่ว่าไอ้พวกฤทธิ์แบบนี้เขาไม่ค่อยใช่หรอกไม่ใช้เนี่ยมันมั น, ม, นมีความเป็นดาบสองคม อย่างอาจารย์มันที่นเคยใช่ไปใช้ไปคุยกับหลวงตาอะไรที่ถ้าน้าตกไอ้นครนายกฮะหลวงตาเปิดหนีหายเลยคือไปรู้ใจเขาแล้วเอามาพูดเนี่ยไม่ได้ทาให้คนกลัวกลัวความคิดแล้วทําให้เขาเกิดเครียดเขาไม่เอามาใช้พระพุทธเจ้าจะใช้ในลักษณะที่มันซึมซึมไปนะะซึมซึมไปโดยเขาไม่ไม่เชิงรู้พระพุทธเจ้ารู้ เพราะแม้เขาจะกลัวว่าเขาพระพุทธจจะไปอ่านความคิดเขาแล้วทําให้เกิดมีปัญหาก็ต่อไปก็อะไรฮะทิปจักรสุเขาเรียกทิปจักรสุนะฮะทิปจักรสุก็คืออะไรคือจตุปปาตยานันเองแต่ว่าใช้ในกรณีต้องการดูนี่ตาทิปคือดูก็เห็นแต่ต้องกําหนดจะดูอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงอีกเช่นเดียวกันนะฮะ เพราะสภาพจิตไม่ต้องไปอยากดูอะไรที่ไม่ควรดูคือดูเพื่อจะโปรดสัตว์โลกเท่านั้นเองเป็นการดูสัตว์โลกซึ่งปรากฏในเรียกว่าในญาณเอ่อแล้วก็ต่อไปก็พิญญาไม่ใช่ปฏิสัมพิทานะฮะปฏิสัมพิทาสปฏิสัมพิธาสี่เนี่ยคือตัวทํางานเลยมันก็เริ่มที่อาาัตตปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในอัตคือแตกฉานในตัวเหตุ อันนี้เหตุนี้ก็ให้เกิดผลอย่างนี้เหตุนี้ก็ให้เกิดผลอย่างนี้ก็คืออะไรคือสัพพุริสธรรมเจ็ดท่านทั้งหลายนึกออกนะฮะคืออัฏฐัญญาธรารมัญตาระดับสัตว์ปรุษฮะระดับสัตว์ุรุษก็คืออัฏฐัญตาธรรมัญญาแต่ระดับอภิญญาก็คืออัฏฐปฏิสมัมพิทากับธรรมปฏิสมัมพิทาอัฏฐปฏิสัมพิทาก็คือการแตกฉานอย่างรู้ละเอียดในจุดของเหตุนั่นแหละที่จริงอนะ แมันลึกกว่าลึกซึ้งกว่าเพราะเป็นการรู้ด้วยญาณก็ธรรมปฏิสัมภิทาก็รู้ในส่วนผลผลต่างๆที่ปรากฏสามารถที่จะเชื่อมโยงก็หาเหตุได้ก็เรียกว่ารู้อัดรู้รำอ่ะรู้อัดรู้ทำรู้่าบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นั้นคือบันบันไดข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยก็เป็นอัฏนยุตตาธรรมันยุตานะแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งขึ้นระดับนี้ก็มาเป็นอัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมะปฏิสัมภิทาธรรมสายเดียวกัน แต่มีความเข้มข้นม่นเหมือนกันเลยชื่อเรียกเรียกชื่อก็ต่างกันต่อไปนิรุติปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในนิรุติคือภาษาคือเป็นเรื่องน่าอาศัศจรรย์มากอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นชาวเนปาล น, นะฮะพูดกันตามความจริงไนงะพวกอินเดียบันเตี๋ครุมเฉยๆพระเจ้าไม่ใช่ชาวอินเดียอินชาเนปาลแล้วก็อาศัยที่พระองค์เผยแผ่าศาสนาในอินเดียอยู่ อินเดียก็ตีกลุมเดียวนี้ก็คนไปนมัสการแล้วก็สังเวณนิยฐานเกิดอยู่ที่อินเดียสามแห่งด้วยและอินเดียก็โกยเงินข้าวบ้านข้าวเมืองจะสบายเลยจริงๆผลเป็นผลประโยชน์นี้มันน่าจะได้แก่ประเทศเนปาลครับพระพุทธเจ้าเสด็จไปในแวนแคว้นต่างๆเป็นอันมากทางเหนือขึ้นไปถึงอะไรละ่ะฮะขึ้นไปถึงแค้นทุกว่าเนี่ยเาเรียกอะไรแค้นกุรุตัว น, นั้นก็ ปัจจุบันใกล้ๆแคชเมียนะฮะแคว้นกูรุก็คือเดนลีก็ไม่เคยใช่ล้ำไม่มีลํำอินเดียจะลืมมา1 0 0 0 0แสนตารางกิโลเมตรในภาษาภาษาเปลี่ยนทุกทีนะอาตอมาเคยไปเกิดอุบัติเหตรุรถไปชนเาสาข้างถนนเนวะ้ยคุยกันทุกภาษาเลยเมื่อยมือด้วยคือพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ คนทั้งรถเดียไปส่งภาษากับแขกไม่รู้เรื่องเนยเอาเส้ทุกภาษาฮินดีก็แล้วภาษาอินดีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษให ม, หม่รู้จะเอายังไงล่ะทั้งมือทั้งเท้าเราว่ากันไปตัดตวดและพูดกันไปจนกว่าจะจะได้เรื่องได้ราวหาที่พักได้เนี่ยเรามีคนตั้งเยอะมัน 1,0,000 แตารางกิโลเมตรภาษาเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนทุกทีเลยแต่พระเจ้าไม่เคยมีล่ามทุกคนทุกแขงนี่คืออะไรคือนิรุตติปฏิสัมพิชฌาปัญญาแตกฉานในนิรุตติ หรือภาษาต่อไปก็ปฏิภาณนะปฏิสัมิทาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณปฏิภาณคือไหวพริบ ป, ปฏิภาณต่างต่างที่จะโต้อตอบจะชี้แจงจะแสดงการหลากหลายของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจพบว่าที่จริงเขาเรียกว่าเทศนาโวโหารคือธรรมะที่มากเนี่ยเป็นเทศนาโวโหาร พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดในบุหารเพราะอาศัยอาศัยธรรมะปฏิสัมพิทาอาศัยปฏิสัมพิทาสีนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้แล้วมันมีเป้าอย่างเดียวกันพูดพูดคนละเรื่องนะฮะแต่ให้คนเดินไปสู่เป้าเดียวกันได้เขาเรียกว่าเป็นอุปายะวิธีจึงหลากหลายธรรมะออกไปมากมายไกลก่องที่จริงก็มีจุดบรรจบในที่เดียวกันก็ว่ากันไปในส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนน้นก็ว่าไปเรื่อย ถ้าคนคนเราคือสรุปคนมันวิจิตนะจิตคนมันวิจิตเลยธรรมะก็วิจิตตามคนต้องแสดงให้วิจิตตามคนไปเป็นงั้นก็ไม่สามารถอํานวนประโยชน์ให้แก่คนได้ทุกลาดับชั้นออประการต่อไปก็คือเรื่องนี่ก็ถือว่าบุพกรรมนะฮะบุพกรรมมันก็ตามมาตามมาอย่าลืมว่ามันถึงจุดหนึ่งกรรมชุดนี้มันมีเป็นอาโหสิเมื่อเอาเสตตาบอดแล้วก็เป็นอาโหสิ ก็มาถึงประเด็นหนึ่งถึงช่วงหลังที่ให้พิจารณาไว้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเจตนาที่ทรงชาคำวมาเจตนาหัางกังวัลดามิ่ก็อยู่ที่ใจกัดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเ ร, รากล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรมคือถ้าไม่มีความจงใจก็ไม่ได้เกิดกรรมอะไรอย่างในกรณีของพระจักคุบาลซึ่งเป็นพระราหารันเป็นสติวิปุโลนะฮะมีสติที่ไพ่บู์ ท่านเดินจงกรมไปเหยียบไอ้พวกมแมลงคลอมอะไรเท่างไรไม่อะไรคือคือมแมลงเล่นไฟนะฮะเรียกโคปากาก็ตายไปมากมายก่ากองนั้นไม่ได้มีเจตนาอะไรจึงก็ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรพระพุทธศาสนานั้นไปกําหนดแค่ก็เรียกว่าคือสิ่งที่เราเห็นด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้นอย่างในกรณีเชื้อโรคอะไรนี่เรารับประทานยาก็รับประทานยา แต่ว่าไม่ยอมรับถึงไอปราณะในลักษณะงั้นคือสิ่งมีปราในลักษณะอย่างนั้นเรียกเป็นอภโรหาริกคือถ้าใช้กล้องยุลทัศน์ดูแลเราไม่นับแล้วแต่งั้นเราไม่ต้องทําอะไรกันฮนะแต่เอากล้องยุลทัศน์ดูก็ถือว่ามีสัตว์แล้วก็จบก็ทําอะไรกันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอภโพหาริกคือมีก็เหมือนไม่มีฮภาษาวินัยท่านเรียกว่าอภโรหาริกมีก็เหมือนไม่มี งั้นเวลาจะรับประทานยาเพื่อบำบัดโรคเราเจตนาบำบัดโรคนะฮะเราก็ไม่เจตนาจะฆ่าเชื้อโรคอะไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเราเจตนาเราไม่มีทีนี้ไอ้จากใจนี่เองมันมีภาษิตอีกทอดหนึ่งอีกท่อนหนึ่งนะฮะแสดงแนวเดียวกันทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สําเร็จมาแต่ใจ มีใจถ้าบุคคลมีใจดีนะฮะมานาซาเจประสันเนนะคือใจผองใสมานาซาเจประสันเนนะภาสติวากรโรติวาคือจะพูดก็ดีจะทําก็ดีผลคือสุดจริตผลแห่งสุ ด, ส, ดสุดจริตทั้งสามประการนะฮะก็จะติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามตนไปฉะนั้น อุปมาข้อนี้ท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตว่าทรงอุปมาเหมือนเงาไอ้เงาในคล้ายๆกับเวลาเราไม่เห็นนะที่จริงเงาเรามีอยู่ตลอดทำไมเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีแสงสว่างผลบาปผลบุญผลกรรมก็เหมือนกันเราไม่มีแสงสว่างคือปัญญาเราจึงไม่เห็นวันนี้ที่จริงมันบาปบุญของเราที่เราทำเอาไว้ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้ เพราะถ้าเกิดอะไรเดือดร้อนขึ้นมาแล้วแม่ดวงไม่ดีเราไปสะดอกเคราะห์ถูกหมอสะดอกเคราะห์หายไอหัวหมูเห็ดเป็ดไ ก, ก่ก็มาเลยเคราะห์หนักไปแต่ถ้าเราโยงดูให้ดีเราจะพบว่าอันนี้มันที่จริงก็ผลกรรมของเรานั่เองที่เราทำมาในอดีตบางทีมันก็ใกล้ๆไม่ได้ใกล้อะไรหรอกแต่ถ้าพอดีเราก็เราว่าดวงเราดีก็ไปฉลองกันเลยก็ต้องเอาต้นทุนมาจ่ายต่อนะบางทีถูก ตัวกระไรอ่ะตสลากินรวบบาทเดียวอ่ะจะ้องหมดไปตั้งพันร้องพันหนักข้าไปอีกแคนี้ชีวิตคนมันก็หนักไปเนี่ยหนักอยู่สองข้างอ่ะก็ไปมองที่ปัจจัยภายนอกแต่พระพุทธศาสนาสอนทั้งหมดที่ตัวเราเลยอะไรมันเกิดที่เราผลมันเกิดที่เราปรัเหตยมันต้องอยู่ที่เราเหมือนกับอะไรเหมือนกับผลของมะพร้าวนะฮะ มันก็ต้องเกิดจากต้นมะพร้าวมันจะเกิดที่อื่นไม่ได้ความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจังอุปมาเหมือนกับเงาที่ติดตามเราไปทุกขนทุกแหงแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นทางด้านบวกด้านลบคือด้านดีด้า น, า น, านชั่วถ้าเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบพินิจพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้นะวันก่อนนี่มี ไอเรื่องแนวนี้ที่จริงมีเยอะนะฮะแต่เรื่องนี้แปลกคืออามายังมองเออมันก็ดีคนนี้ดีมีญาติคือว่าโยมคนนี้ยแกปลูกบ้านใกล้วัดนะครับแล้วแกปลูกไม้ไผ่เรียงแถวเป็นกั้นเขตแดนระหว่างบ้านกับวัดนะบ้านแกกับวัดนะเวลาถึงคราวจะตัดไม้ไผ่ขายแกก็ตัดไอ้ด้านบ้านแกนะตัดเรื่อยไม้ไผ่มันก็เดินเรื่อยตัดเรื่อยมันก็เดินเรื่อย ปรากฏว่ารุกล้ำที่วัดไปตั้งหกวาแม้มันเดินหน้าดูเลยแล้วก็พอดีญาติที่ตายไปจะมาบอกบอกเคยแกจะไปกินที่วัดนะมันบาปตกนระกนะแกไปเกิดวัดดูปรากฏว่าล้าที่ก็ตกใจเลยก็ถวายที่ย้อนให้วัดเองชดเชยชดเชยนี่เพราะอะไรเพราะว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ถึงแม้คนอื่นเชื่อมโยง แล้วก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ตรวจสอบตัวเองท่านก็แก้ทากันแกได้มันก็ผิดกยาจันยาจาย์นั้นรุกที่วัดเหมือนกันแต่มไม่ยารันที่นี่นะตายแล้วนะใครชื่อจันในประเดีนั้นก็ยาจันในก็รุกที่วัดนะฮะปรากฏว่าพอบทแกจะตายเนี่ยแกแกนอนไม่ได้เลยแกนอนบนเตียงไม่ได้เลยต้องให้ลูกขุดแอ้ง อันนั้นแกรู้แล้วพระ ก, ก็เตือนเนยะแกไม่ยอมแกไม่ยอมแกรุกของแกเต็มที่เลยปลูกไม้ไผ่เหมือนกันนะฮะไม้ไผ่เนี่ยสำคัญนะฮะรุกที่วัดดีนักนะรุกที่บ้านเพื่อนก็ดีเพราะมันเดินนะฮะไม้ไผนะ่เนี่ยมันเดินแล้วก็ก่อนจะตายเนี่แกต้องไปขุดเป็นหลุมมานอนเกลือวันก็หมูอ่ะนอนเกลือกอยู่ในดินเนยะแล้วหนที่สุดก็ตายอยู่ในในปลักนั่นเอง นี่ก็เวรกรรมที่ไปรุกที่วัดกรรมมันก็เกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากจิตข้างแก่อันนี้ในส่วนที่เป็นบาปแล้วจากจุดนี้จากพระพุทธธรรมหลักข้อนี้ก็ประลบเรื่องอีกคนหนึ่งนะคือมัถกุลทลีมัถกุลทลีก็มีข้อความตอนต้นโดยสรุปนะฮะว่ามีพระมาหาศาลคือพระมาหาศาลเนี่ย ก็ม <formation> ีทรัพ <ret> ย er mm ์เ hmm ท่าไหร่สีโกรนะฮะเศรษฐีมหาศาลนี่มันแปโกรคือถ้าใส่มหาศาลเขาดูที่จำนวนเงินนะฮะมันมีเศรษฐีมีมหาเศรษฐีแล้วก็เศรษฐีมหาสารเขานับกันที่เงินก็มีมากอะไรดีมากเหมือนกันนะสมัยนั้นก็เจริญแต่เป็นคนขี้เหนียวเด็ดขาดเหม่เด็ดขาดบ้างชื่อจริงชื่อไงไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่บาลีเรียกว่าอาทินาปุปกะ คือเกิดมาชาตินะไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยแม้แต่ตัวเองก็ไม่ยอมกินไม่ยอมกินก็กินของแต่ประหยัดประหยัดนะฮะไม่ใช่ประหยัดแหละคือคีดเหนียวอะ่ะพอมาลูกชายได้ลูกชายคนนก็ต้องตกแต่งลูกชายมีตุ้มหูตุ้มอะไรอะไรเนี่ยก็แบบแขกแล้วสมัยก่อนกรกลัวจะเปลืองสตางก็ไปถามมิธีทําตุ้มหู ก็แนหน้าให้แกก็เอาทองเก้งเ้ยงนะฮะมาทําแล้วก็แขวนให้ไอ้ลูกชายก็เลยชื่อว่ามัทธากุตลีเปรวันนายตุ้มหูเกลี้ยงก็ชื่อจริงชื่อไงไม่รู้เหมือนกันนะเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไปเลยต่อมามัถธกุตลีนี่ป่วยไอ้พ่อก็กลัวว่าถ้าจะหาหมอมารักษานีนเปลืองต่างนะก็เลยก็ไปถามาเอยคนป่วยอย่างงั้นเขารักษาด้วยยาอะไรถามเครื่องสมุนไพรก็ตั้งตัวเป็นหมอเองนะรักษาเอง รักษาไปรักามามันก็มีแตุ่ดกับสุดนะฮะเอ๊ลูกจะตายลนะลูกจะตายก็เอาหามลูกมาวางข้างนอกกลัวว่าญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมลูกจะเห็นสมบัติแกอีกก็ยุ่งจังลเลยเอามาวางไว้ที่นอกชานพอดีก็ปรากฏในขายพระญาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดตอนนั้นมัท ก, กุตลีไม่ไหวแล้วพ่อเอามาทิ้งบางไว้ที่ชานเรียน แกก็ไปหาหมอมารักษาเหมือนกันนะฮะพอจะตายรับแล้วก็หมอก็ไม่รับแล้วมันสู้ไม่ไหวก็เหมือนกันลักษณะของคนไทยเราส่วนมากนะฮะคนไทยเราส่วนมากก็เรียกบางทีก็หาไปโรงพยาบาลเลยเือไม่ยอมไปหาหมอจะก่อนให้ให้หมอตรวจจะก่อนออพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดมัถกุตลีทำอะไรไม่ได้แกก็หันหน้าเข้าฝาด้วย พระเจ้าก็เลยฉายฉัพพันนังสีฉัพพรนนังสีของพระพุทธเจ้านะมีสีหกสีแต่ก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะฮะคือใช้ในกรณีเนี่ยในกรณีใหญ่ๆอย่างเงี้ยกรณีเช่นโปรดองค์คลิมาเนะี่ยฉายฉัพพันรังสีเรื่องใหญ่ๆปกติก็เป็นพระธรรมดาธรรมดาอยู่ก็ใครไม่รู้จักก็อย่างที่พบกับสาติหรือการมานิตกรรมนี้ก็ไม่รู้จักก็ เม่ตากตานีพอเห็นแสงสะท้อนแกก็พลิกตัวกลับมาพอเห็นพระพุทธเจ้าที่จริงก็ใกล้วัดอะเป็นเด็กใกล้วัดพ่อไม่ให้ข้าวัวดจะอย่านกก็ไม่ข้าแกก็มานึกว่าเออแกนี่ก็เห็นใจพ่อแหละตั้งตั้งแต่น้นตุ้มผูกเกลี้ยงมานั่ะก็น่ารักได้เกินก็เหมือนกับเด็กอะไรที่ไปไปถูกจับที่อุดรให้หนังสือพิมพ์จะถ่ายรูปไปพ่อที่กรุงเทพดูเอเวลาร่ำรวยเลยจะลืมลูก นั่นก็ลูกมก็สาหัสได้เกินไปจำ ต, ตาต่างหายเองอ่ะไม่กเกี่ยวอะไรกับพอ่อแต่ว่าแกบอกว่าแกเนี่ยเพราะได้บิดาที่เป็นมิจฉาทิจฉิจึงไม่สามารถที่จะเข้าวัดฟังธรรมต่างๆ ท, ที่อยู่ใกล้วัดพระเชตวันก็เลยตอนนี้มันมันมันไม่มีอะไรทําแล้วทําอะไรไม่ได้ก็เพียงแต่คือมือจะพระนมยังไม่ไหว ไหว่ไม่ได้แล้วก็ทำใจให้เลื่อมใสเท่านั้นเองทำใจใเลื่อมใสก็จดจ่อรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ตายตายมันก็เข้าสูตรไหนฮะเข้าสูตรที่เมื่อจิตของแพร่ก็บังเกิดในสุคติจิตเตอสังกิริเตสุคติปาทิคังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังได้ว่าเกิดในสุคติ เมื่อจิตเศมองก็เกิดในทุกขติมันไปเข้าอะไรอีกล่ะเข้าในหมาก็ไม่ฟังกิสูที่เคยพูดมานะเข้าวอาสันนกรรมกา ร, รมเมื่อจวนจะตายกรรมในลักษณะนี้ทรงอุปมาว่าเหมือนกับไอ้โคที่เขาไปขังไว้ในค้อเอาเปนายนกายก็ได้อุ่งง่ายง่ายหรือประตูคนออกจากข้อประชุมก็ได้ใครใกล้ประตูก็ออกก่อนนะพวงนี้เป็นกรรมที่ยกเว้นมีสองกรรมนะฮะยกเว้นอนันตริยกรรมกับ ชาตกยกเว้นนี้อาไว้หมายความว่าในขวัยกุศลยกเว้นอนันตเกรรมในขวายกุศลยกเว้นรูปปั้นเป็นต้นไปเพราะพวกนี้เป็นพวกนิยตะเหมือนกันแต่มันมันนิยะตะคนละด้านนะฮะอันนี้พวกอนันตเดร gam ในตกนรกแน่นอนเลยไม่ต้องนับไม่ต้องห่วงทําบุญความดีอะไรหลังจากนั้นทำอะไรเถอะค่อยว่ากันวันหลังมันจะเป็นหมาไล่เนื้อที่หลังแต่ว่าตัวเองจะต้องตกนรกไปก่อน ส่วนรูปประชานั้นต้องเป็นพรหมก่อนความชั่วความดีอะไรอย่างอื่นค่อยว่ากันทีละแต่มันจะเป็นอป布拉布拉เวทเนกนมันจะตามไปตลอดการมัฏฐกุณฑลีนั้นไอตอนอื่นไม่ต้องพูดแต่ เ, เกิดเป็นลูกโขขากับเพกอยู่ติดประตูข้อกว่าดีเลยฮะพอเปิดพัวก็ออกก่อนเป็นอาสานกรรมที่เกิดเมื่อก่อนจะดับจิตมันเป็นกรรมอารมเป็นกรรมอารมณที่เกิดขึ้นในขณะ น, นั้นจิตผ่องแผ้วเลื่อมใสต่อโรตเจ้าอย่างยิ่ง แต่ว่าทําอย่างอื่นไม่ได้นะฮะมือเท้าอะไรแต่ละยกไม่ได้แล้วก็น้อมใจเลื่อมสายเท่านั้นเองเกิดสุคติเกิดสุค ต, ติก็เกิดรำลึกถึงนะฮะเกิดเทพระบุตบางองเช่นพวกท่านอนาถบินติกาเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยพอเกิดปับ๊บท่านรําลึกปุ๊บแล้วท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าปับ๊บแล้วท่านมาคว้าเลยไอ้เทพบุตรบางองค์มันเพลินอยู่นั่นแหละฮะ รออีกสักสองสามวันมาแล้วพอดีเสร็จแล้วครั้งโลกกล็โลกการ่างอโลกมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงมาเยอะแยะนะคือพวกนี้ปุ๊บปับ๊บเลยหมายความว่าท่านเกิดปุ๊บแล้วท่านก็มาปั๊บเลยไม่ไม่ยอมเสวยสุขอยู่ก่อนพระท่านก็มองเห็นความสุขของท่านเนี่ยท่านก็รู้ว่าเกิดจากบุญที่ทำถวายพระพุทธเจ้าที่ที่ทำใจให้เริ่อมใสในพระพุทธเจ้าแลวตอนนี้พ่อไปแล้วฮะพ่อไปเพิ่งนึก อจินนาปุปกะเนี่ยก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้พอลูกขาดไปจริงๆรินี่ทีนี้เท่าไหรเท่ากันเลยมันสายไปแล้วฮะช้าไปต่อยเนี่นยไอ้คนนี่จริงมันก็สายเกินไป แ, แกก็ไปที่สุสานเะนี่ยไปร้องห h o ร้องให้ไปเรียกหาลูกน้อยของเราอยู่ไหนเอาอาหารไปให้กินเรียกลูกมากนกินเนี่ยนะเนี่ยเพื่อเจอหนักอีก แล้วก็มัฏฐกุตเลีก็มองถึงพระพุทธเจ้าก็มองว่าเออเนี่ยเรานี่เพราะอาศัยพ่อที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็เดือดร้อนมานี่ถ้าอผลเหล่านี้ก็เกิดจากพระพุทธเจ้าแต่ก็มาแต่ว่ายังไม่ได้พระวจนะนะมาหาเองมามาหาพ่อเนี่ยแล้วก็กลับเพศเป็นมัฏฐกุตเลี ก็สอบถามคุยกันอันนี้คนคิดถึงลูกอยู่แล้วนะฮะพอเห็นคนหน้าตาคล้ายลูกก็รักเลยนะกิจใจก็ส่างโศกลงมานะคุณจะเอาอยัางไงพ่อหนุ่มนี่จะเอาไงก็เอานะั่เรียกว่ามานวะนะฮะเอกามานพจะเอาไงก็เอานะฉันจะให้เพราะเธอคล้ายมาัทธคุณทลีมากนี่ก็ขอขอรถนะฮะบอกก็แกทำรถไว้มันยังขาดล้ออยู่สองลอ้อาหาไม่ได้ขอล้อรถหน่อย จะเอาอะไรลอ้อทำกระเพ็ดก็เอานะ่ทำกระเพ็ดกระทองกระเงินกับอะไรทำนิดก็เอาจะทําให้ทั้งหมดแกบอกไม่เอาอะ่ะมันเล็กไปคุยจะเอาล้อข้างหนึ่งเป็นพระอาทิตย์ล้อข้างหนึ่งเป็นพระจันทนระ์จะเอาให้หน่อยพราหมณก็บอกว่าเออมันจะเอาได้ยังไงนี่เธอมันจะบ้าจะคลุ้มคลั่งไปแล้วจะเอาลอ้อพจะเอาพระจันทร์พระอาทิตย์มาทําล้อรถได้ยังไงแมท่ท่ากุนตลีเทพบุตรก็เตือนบอกว่า ไอ้ที่จริงฉันขอรออ๋อพระอาจารย์พระอาทิตย์มันเป็นรออรถนะยังพอยังพอน่าจะได้นะเพราะมันเห็นนี่ยเห็นพระอาจารย์พระอาทิตย์นี่นก็โคจอรอยู่แต่ว่าท่านในร้องไห้ถึงลูกชายที่ตายไปแล้วมันมีได้ขี้เท่าคือถ้าจะพูดว่าบ้าแล้วมันท่านน่าจะบ้ากว่าฉันนะคือจะบ้ากันมันเทียบบ้ากันมังท่านก็น่าจะบ้ากว่าอันนี้ก็เริ่มได้คิดแล้วเริ่มได้คิดพอได้สติ ก็ถามว่าเป็นใครแกก็บอกแกก็บอกว่าแกก็คือลูกชายลูกชายที่พ่อมาวางทิ้งไว้กลางชานเรือนนั่นเองแล้วมันมันมีแสดงอะไรอย่างหนึ่งว่าที่จริงอาทินาภูปกาดนี่แกรู้นะฮะแกรู้ว่าไอความดีที่เป็นเหตุไปสวรรค์นี่มีอะไรบ้างแกรู้เพราะเอ๊ะเธอก็อยู่ที่บ้านตั้งแต่เล็กจนใหญ่ก็ไม่เห็นทําความดีอะไร มเอ็นมีการให้ทานรักษาศีลไม่เจริญภาวนาอะไรแล้วมันไปสู่สวรรค์ได้ยังไงและทําไมแก ท, ทั้งๆในรู้แกไม่ทําแกคิดเหนียวะตัวคิดเหนียวตัวเองนั่นเองเป็นยางไว้เป็นดึงไว้กระตุกเอาไว้ไม่ให้ยอมออกจากบ้านนะไม่ยอมออกจากบ้านไม่ทําความดีอะไรต่างๆตัวเดียวนะฮะเพราะอันกิเลจจึงเป็นเป็นลักษณะเป็นยางอะเป็นยางมันดึงเราไว้ตลอดอะ เคยสังเกตไหมฮะพอสมาธิพอน้องจะไปมันจะได้สมาธิกลัวกิเลสจะสงบมันกระตุกโครมเดียวเลยไปหายเนี่ยเป็นห่วงบ้านกลัวจะบรรลุมรรคผลนิพพานซะก่อนหวงลูกควงทรัพย์สมบัติเยอะเนี่ยฮะมันเป็นอย่างมันกระตุ ก, กปึ๊บ ป, บปบอยู่ตลอดฮะตลอดต่อสู้กันอันนี้ก็อะไรทั้งๆ ท, ที่ท่านรู้ทั้งหมดเลยทางแห่งความสุขแล้วทําไมท่านไม่ทำตัวเหนียวตัวเดียวตัวโลภะนะฮะ กิเลตัวตัวเดียวต่นนั้นเองก็ปลูกเอาไว้แต่ก็ของท่านมีทุกตัวนะตัวแรงก็คือตัวตัวมัจฉริยะมัจฉริยะที่ครอบงําใจท่านแต่ในที่สุดท่านก็เมื่อได้ฟังคําบอกเล่าของมัจจักุณลีว่าท่านได้พบเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดนะฮะพ่อไม่เห็นแล้วตอนนั้นก็ก็ถือว่าโรกตายแน่แนละ้วก็ทิ้งไปนะ ในที่สุดอธินาปูปกะก็เกิดเปลี่ยนใจเห็นว่าเออไอบุญานิสงที่มันแม้แต่ขนาดทำความเลื่อมใสเท่านั้นเองทำใจให้เลื่อมใสเท่านั้นยังเป็นได้นขนาดนี้ถ้าท่านทำให้ยิ่งกว่านี้ถ้าคงจะได้ดีกว่านี้ก็โลภอีกนะแล้วลว่าที่จริงฮะมันก็โลภเปลี่ยนความโลภคือโลภอยากได้สวรรค์วิมานอยากได้สุขสมบัติในสุขติ แต่ก็ดีขึ้นนั่นเองนะฮะดีขึ้นเพราะเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันมีลักษณะเหมือนกับยานพานะที่เคยบอกนะฮะว่าตันหั่งนิทรายะตันห้าปะห้าตะปากิเลสประเภทนี้มันกิเลสประเภทดันมีลักษณะเหมือนกับจรวดนะฮะจรวดเซ็เทินมันดันๆๆๆมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะทิ้งให้ดาเทียมลอยอยู่ถ้าดาเทียมยังอยู่ก็จรวดมันก็ลอยอยู่ข้างนอกไม่ได้มันก็ต้องทิ้งไอ้จรวดที่ผลักดัน แต่ในขณะเดียวกันไอการไปสู่ยาณนวอากาศไอสู่ขัวงสุญบยากาศมันก็ต้องอาศัยแรงดันดังนั้นจากจรวดก็ดันส่งกันไปส่งกันไปส่งกันไปเรื่อยๆ อ, อย่างว่าส่งดาวเทียมเนี่ยก็ใช้จรวดเมื่อก่อนนะฮะตอนนี้ก็ใช้อายานยานแม่บินขึ้นนามได้แล้วเมื่อก่อนนี้มันก็ต้องใช้จรวดสามลูกอะ่ะยิงเหนะมือนกับพระเจ้าใช้ศีลสมาธิปัญญายิ่งขึ้นไปนะฮะยิงขึ้นไปแต่ก็ต้องอาศัยแรงดันคือคล้ต่อปนานิพานใ์ล้ต่อปนานิพาน์ ตันหาในนิพานมันยังมีตันหาอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นกิเลสประเภทดันแต่พอถึงนิพานมันต้องทิ้งตันหาทิงอุ ป, ปมาเหมือนกับแผงอุปมากิเลสเหมือนกับแพ่ธรรมะทั้งหลายก็เหมือนกับแผงั่นแหะแต่ทรงใ ช, ช้ในแนวของการข้ามฟ้ากพราสมัยนั้นจะอุปมาง่ายกว่านะสมัยนี้อุปมาททันสมัยหน่อยเป็นจรวดไปเฉเลยสมัยโน้นก็ต้องอุปมาเป็นแผคือเหมือนกับคนต้องการจากฝั่งนี้ก็ฝั่งโน้ น, นก็ต้องข้ามแพแพ่เราก็ต้องอาศัยเพราะแพ่ เ, เป็นตัวดัน เป็นตัวดันเป็นตัวส่งแต่พอถึงฝั่งก็ทั้งทิ้งต้งทิ้งแผ่กิเลสก็เหมือนกันนะแล้วคนเราเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งนั้นจะมีแรงดันของกิเลสอยู่ตลอดอย่างสำนวนที่พูดเอาสวรรค์มาล่อที่จริงมันก็จะว่ายอย่างงั้นก็ได้แต่มันก็ลอยดีเนี่มันจะแปลกอะไรเอาปริญญามาล่อก็จัดการศาึกษามันก็ปริญญามาล่อเอาตำแหน่งการงานมาล่อมาเอาอะไรมาล่อเอาสมาธิมาล่อกับการปฏิบัติก็มีลักษณะเราก็อยากสงบ อยากให้ได้ใจสงบมันก็มีแรงมีตัณหาอยู่แต่ว่าเป็นธรรมะตัณหาเทนั้นเองในตัณหาในธรรมไม่ได้ตัณหาเลอะเทอะทีนี้ท่านอทินาบูปกาเองท่านก็โลภสมบัติเพราะท่านมัถกุณลีไม่ได้มาโดยลำพังแต่มาในลักษณะเป็นวิมานคือนาคือมาด้วยวิมานเลยปกติเทพบุตรที่มาคว้ารู้แต่เจ้าไม่เคยมีใครมาด้วยวิมานแต่มัฏกุณลีท่านมาด้วยวิมาน เพื่อจะช่วยพ่อโดยนะเพื่อจะฟาดพระพุทธเจา้าโดยแล้วก็ก็หมายความว่าสิ่งอะไรที่ตนได้ลิ้มได้สัมผัสมาด้วยตัวเองก็อยากจะาให้คนอื่นได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นด้วยอ่ะก็สําแดงวิมานออกมาด้วยอธินาปูปะท่านก็เริ่มปรับใจตั้งใจได้เข้าใจเหตุเข้าใจผลอะไรก็เลิกเศร้าโศกถึงบุต เราก็เห็นว่าลูกไปดีนะลูกไปดีมีสุขแล้วท่านเองก็เริ่มเริ่มเริ่เริ่ริ ม, รมจากอาทินะเป็นทินนะนะคือคือคือจากไม่ให้เป็นผู้ให้ก็เริ่มบําเพ็ญบุญความดีต่างๆตัวการทั้งคันมาอยู่ที่ไหนทั้งสองคนท่านจะเห็นว่าอยู่ที่ใจแต่เดียวใจนิดเดียวตั้งเล่นแล้วก็อย่างมัทธะกุณลีบันนิดเดียวนะฮะไอ้ช่วงใจผิดที่ยิงมาเดินทางผิดมาตลอด มันจะท่านผิดเองแต่ได้ผู้นําผิดท่านก็เดินทางผิดมาตลอดเกิดในสกุลมิจฉาทิฏฐิมีพ่อเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ให้การศึกษาไม่ให้การสนับสนุนแกบ่ายก็ไม่รักษาพยาบาลท่านก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันนั้นท่านก็เป็นเพศของท่านมันรอสิ่งมากระตุกข้างนอกไอ้ความดีของท่านบารมีของท่านมันก็มีอยู่ฮะแต่มันมีอะไรกลอบไปเยอะแยะเลย สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายต่างๆเนี่ยมันก็ปกปิดบารมีของท่านพอบารมีพอพอระพุทธเจ้าเสด็จมาไอบ้บารมีมันก็จำแรกไอ้สิ่งหมักโห ม, มต่างๆออกมารับรู้นะถ้าว่าไม่มีบารมีจะเป็นไงมันไม่มีหรอกไม่มีทางเพราะท่านไม่ได้เพาะเชื้ออะไรไปเลยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมาตลอดแต่พอ ถึงคราวพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็ไอบารมีในอดีตของท่านแน่นอนอันนี้ก็ขึ้นมารับํำใจให้เลื่อมใสได้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะไอคนที่จะเห็นแล้วเกิดทำใจให้เลื่อมใสได้ทั้งๆที่ตัวเองก็ก่อนออไม่ได้มีเชื้อมาก่อนนะฮะไม่ได้มีเชื้อมาก่อนแม้ในเช้วพุทธเราด้วยกันในขนาดว่ามีเชื้ออยู่แยะนะฮะ เวลาพระไปเยี่ยมเนสี่องค์แล้วหาว่าพระมาเตรียมสวดเราแล้วยังไม่ตันตายแล้วมันโกรธหายไปไหนตายตอนกรวดพอดีเลยตกนรกหายไปก็ถือเป็นเครดวพระไปสี่องค์ก็ไม่ได้เป็นเป็นธรรมเดียมในที่บางแห่งแล้วก็อะไรไปตั้งไปยอะแยะไปหมดเลยพระรงพระรังแต่ว่าท่านมัทธกคุณลีนั้นท่านไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้เพาะเชื้อความดีเอาไว้แต่ท่านก็ไปของท่านได้ นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีมันจะมีอยู่อย่างเนี้ฮะถ้าดูแล้วดูคล้ายๆจะไปไม่ได้แต่ลักษณะของของดีดีเด็ดเนี่ยที่ว่าท่านก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วท่านก็รับได้ท่านไปกับท่านได้ตลอดช่ววูบเดียวท่เนเองที่จริงมันวูบเดียวทั้งหมดนะฮะบรรลุมรรคผลนี่ก็วูบเดียวแต่นั้นเองพระอาจารบางองค์ถูกงูกรีนไปยังข่าไปครึ่งคอแล้วข่าไปครึ่งคอยังเลือฮือกสุดท้ายเนี่ยฮะท่านบรรลุอรหัตได้ บางคนถูกเสือกินนะฮะบางคนถูกเสือกัดกัดกัดก็ไม่เรียกว่าบรรลุอรหัตในปากเสือมันบูบเดียวทั้งนั้นเนี่ยฮะทั้งหมดท่านลองดูแต่มันบูบเดียวทั้งหมดเลยมันมันขนาดเดียวเท่านั้นเองมันพริกขณะเท่านั้นเพราะงั้นเนงจาเราเดินทางโดยรถหรือโดยอะไรก็ตามไอ้เครื่องบินตกก็ดีรถเกิดอุบัติเหตุก็ดีรถควยคว่ำก็ดีมันบูบเดียวทั้งหมดมันไม่ได้มากมายอะไร การทําความดีมของคนก็เหมือนกันเพราะถึงจุดหนึ่งมันก็เรื่องของบุบเดียวขณะเดียวแนตะ่นั้นเองแต่ว่าถ้าพูดภาษาพิธรรมก็หลายขณะหน่อยนะ <c oughs> คือ ม, มันเหมือนอะไรแต่เป็นเป็นลักษณะเร็วเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับการเปิดไฟเปิดสวิตไฟแต่ไม่ใช่วนนวควายนิออนอะไรนี้ไฟควายหลอดนะปั๊บๆเลยที่จริงมันเปิดสวิตก่อนแล้วก็สว่างทีหลังแต่เราดูแล้วก็เหมือนกับขณะเดียวกัน การบรรลุมรรคผลการกระทําดีความชั่วมันก็อยู่เเสี้ยวของการของวินาทีของการตัดสินใจทั้งหมดเลยหลักใหญ่จึงอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าใจตั้งไว้ถูกมันก็เดินได้ถูกนะที่ท่านใช้คําว่ามนาสาเจประสานเนนะคือถ้าใจมันผ่องใสถ้าใจมันผ่องใสก็ไม่กลัวฮนะเพราะว่าเงาทั้งไอพฤติกรรมทั้งหมดมันเป็นการสะท้อนมาจากใจเราคิดก่อนพูดเราคิดก่อนทําพฤติกรรมทั้งหมดเป็นการสั่งจากใจทั้งหมด อนาสาเจประสานเนนะถ้าใจผ่องใสทุกอย่างเดินหน้าได้สบายแล้วบางทีอย่างอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าไม่ได้ทําด้วยกายไม่ได้พูดด้วยวาจาะนะฮะมาตากุตันีนี้ไม่ทําด้วยกายไม่ได้พูดด้วยวาจาเพราะหมดแล้วใจอย่างเดียวทําใจให้เลื่อมใสยอย่างเดียวแล้วพอพระพุทธเจ้ารับตาแกก็ดับปุ๊บทันทีมองตามพระพุทธเจ้าก็มองมองแบบคนป่วยมองนะ่ยก็เดินไม่ได้มากอะไรก็ปุ๊บ พอพระเจ้ารับพระเนตรแก่ก็ปุ๊บก็เหมือนกับอะไรนะรู้สึกจะเคยเล่าหรือเปล่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่แกเลื่อมใสในพระปัจเจ้กับพุทธเจ้าหมาเลื่อมใสในพ ร, พ, รสพระปัจเจ้าพระเจ้าตามรับตามสรงพระปัิเจ้กับพุทธเจ้าไปแกะก็ไปแล้วก็บางวันเจ้านายนายของแกไปนิมนต์พระปัจเจ้กับพุทธเจ้าไม่ได้แกะก็ไปไปถึงก็ขาดจีบอนพระปัจเจ้กับพทธเจ้ามารักพระปัเิเจ้กับพุทธเจ้ามา วันหนึ่งพระปเจคุณพระพุทธเจ้า ล, ลาเพื่อจะไปทําจีวร น, นะฮะกับพระพุกของท่านกับพระด้วยกันพระประเจคุณพุทธเจ้าด้วยกันม้าก็หอนส่งเนี่ยอนส่งขอพระปเจคุณพระพุทธเจ้ารับแกกระดับพอดีใจมันเลื่อนะใส่ตั้งแต่เริ่มตามมาแล้วก็หอนส่งก็ดับจากม้าเป็นเทวดาเลยเป็นโคสกะเทพบุตรในเรื่องอนิยามากหนึ่ง จำนวนสมัยนั้นสมัยเป็นนักเทศก็ใช้คำว่าราชินีอมะตะเทศสํานวนเทศบ้านนอกเนี่ยมันก็ว่าตั้งตั้งหัวข้อเรื่องเหมือนกันละครนะเพ <c oughs> เรียกคนเข้าวิกรรมเข้าวัดมันจะเข้าวิกเราก็ไม่ได้เก็บสตางค์เขาแล้ว ก, ก็ก็เนี่ยฮะก็ตั้งชื่อกันแน่เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของนางสามารดีเรื่องนางสมารดีก็มีอยู่หลายตอนนะตอนตอนนี้เราจะเห็นว่าจิตปป๊บเดียวแต่นั้นเองก็ทําให้แก ไปบังเกิดในสุกติได้หรือนายโกตุหัลิกซึ่งอยู่ในเรื่องนางสมาวดีเหมือนกันไอ้ตัดสินใจแป๊บเดียวที่ทิ้งลูกทาให้ตัวเองเกิดมาถูกชิงถึงเจ็ดครั้งได้กันแล้วก่อนที่จะแกแ ก, แ ก, กินกินข้าวมากนะฮะกินข้าวมากหิวข้าวมาหลายวันกินมากไปอาหารย่อยไม่ทันเกิดใจแม่มันอิดฉาหมามันคือว่าหมาที่นายโกบางเขาเลี้ยงนะฮะ ได้กินอาหารประสมน้ํานมอย่างดีเลยกินอาหารรอจากพระเจ้าแมหมามันดีกว่าเรานะเพราะแกเกิดหิวาอาหารมาในระหว่างทางจิตมันเหนียวปุ๊บกมันชอบหมากนะันเกิดปตายปั๊บก็เกิดปุ๊บในท้องหมาเรียบร้อยไปเลยอย่าคนปุ๊บปุ๊บแต่งงานเราจะเห็นว่าการเหนียวของอารมณ์นี่สำคัญที่สุดนะหรืออย่างที่พระองค์หนึ่งที่ท่านปลูกอ้อยไว้นะฮะ ปลูกอ้อยไว้มันนอนใกล้กุฏิเนี่ยอ้อยก็กงโตเลยลำใหญ่กงหน้ากินนะฮะแล้วท่านกำหน้าอุตส่าห์ปลูกมาไม่ทันได้กินมันจะตายไปแล้วนะฮะคือยากกินอ้อยกินมาตายปัาบมาเกิดเป็นหนอนอยู่ในอ้อยเลยนี่อะไรฮะอาสานกรรมท่านทั้งหลายจะเห็นว่าธรรมะที่ทรงสแสดงไม่ว่าพอพูดตรงไหนแล้วมันโยงมาได้หมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยคือตัวอาสานกรรมตัวเหนียวนะอันนี้อะไรมานาสาเจบรุตเถนะ คือใจมันไม่ดีใจมันไม่ดีแล้วไอ้โถเอ้ออยมันอจะ ต, ตายทั้งทียังเป็นห่วงอ้อยอยู่ได้เสียเชิงหมดเลยบวชมันตั้งนานโง่นี่ล้วก็ผลนุทายก็เกิดเนี่ยอ้อหรือเล่าข่าววันก่อนในพระองค์หนึ่งในงานที่พี่สาวเลี้ยงฉลองเลี้ยงพระที่ทำจีวรให้น้องชายหลงพี่ก็ฉันจะอิ่มแป้เลยย่อยไม่ได้ไอ้ผลนุทายตาย เกิดมาเสียตายจะตายยังไม่ได้ข่มจีวรอ ย, อยากจะผมจีวรจีวรใหม่ใหม่เสร็จใหม่ใยัยายยางไม่ได้ข่มเพระวท้ายตายเกิดเป็นเล่นนี่เพราะอะไรเพราะจิตมันเหนียวเนียวก่อนที่จะดับเพราะในการเหนียวของจิตตัวคือไม่ใช่ว่าเราพูดถึงตายเสมอไปใน <S <S ในชีวิตของเราเนี่ยท่านลองสังเกตว่าผิดถูกนี่มันอยู่ที่ขณะใจแต่นั้นเนี่ยขณะข้องการตัดสินใจเหมือนกับเราขับรถะะเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกมันอยู่ขณะข้องการตัดสินใจแต่นั้น ใจจึงถือว่าเป็นตัวบงการงานของพระพุทธศาสนาก็เรียว่าทั้งหมดหรือทั้งไปนะมุ่งแก้ที่ใจตัวเดียวนั่นเองมุ่งแก้ที่ใจตัวเองตัวเดียวแล้วก็สรุป ว, ว่าที่จริงแล้วเราต่อสู้กันคือใจ่มันถูกครอบงําด้วยอวิชชาพระธรรมะในพุทธศาสนานพยายามลดอวิชชาเสริมวิชาลดอวิชชาเสริมวิชาเพราะถ้าอาวิชาก็คือความไม่รู้วิชาคือความรู้ จะพว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือวิชามันเกิดวิชามันเกิดอวิชามันดับนี่ก็คือจุดสมบูรณ์ก็เดินไปเดินมาเราลองดูเนี่ยทานศีลก็ดีสํารวมอินทรีย์ก็ดีอะไรอะไรก็ดีเนี่ยมันเป็นการลดปริมาณของอวิชชาแล้วก็เพิ่มวิชาขึ้นลดปริมาณความไม่รู้เพิ่มความรู้ก็ไปกัเนเรื่อยๆก็เดินบนเส้นทางสายเนี่ยจนถึงจุดที่สมบูรณ์นั้นคืออวิชดาดหมดวิชาเกิดสมบูรณ์นั้นคือปลายทาง แต่ว่าตอนต้นๆมันก็วิชามันก็แสงสว่างนะฮะมันก็เดินไม่ขมุกขมัวมากนักหรือไม่มืดตึดตื้อแลอย่างน้อยก็ไม่ตึดตือก็พอจะมองเห็นทางพอจะทําทางเดินไปได้แล้วก็จะเริ่มสว่างขึ้นไปเรื่อยๆแก้ที่ไหนฮะวิชาการวิชาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทั้งนั้ น, นอยู่ที่ใจแก้จึงปัญหาทั้งหมดจึงแก้ที่ใจ ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งรถทัวร์ไปหาตามถ้ำตามเขาอะไรละมันปัญหามันอยู่ที่ใจของเรานี่เองฮะเรียกปัญหาหัวใจกันสํานวนโรแมนติกหน่อยนันปัญหาหัวใจนะฮะเรื่องศาสสนามันแก้ปัญหาหัวใจถ้าหากว่าเราแก้ที่ใจได้อย่างอื่นมันก็ชื่อว่าถูกแก้ไปแล้วแต่ถ้ายังไม่แก้ที่ใจฮะแก้ที่ไหนก็ตามจะแก้ไม่ได้จะนั่งกรรมฐานจะคิดจะแก้ที่มันเสียงหนวกหูจริงไ้เด็กต้งมันเล่นทำไมไม่ไมล่เด็กอ่ไม่ต้องนั่งหรอก นั่งมาตรงนี้แหละอะไรมันก็นั่งทำความสงบมาแก้ที่ใจเราอย่าไปรับรู้อย่าไปสนใจคือสรุปว่าทุกขั้นตอนท่านนาั่งท่า น, นังหลายจะลองจะมองเห็นชัดว่าธรรมะทั้งหมดมารวมอยู่ที่ใจแล้วก็พฤติกรรมที่มีผลบวกก็คือใจผ่องใสพฤติกรรมมีผลลบก็คือใจท่าหมองที่ใจได้ตรงใช้คำว่าใจอันโทษประทุษร้ายแล้วคือถูกครอบงำด้วยกิเลสต่างๆเนี่ยนี้ก็ เป็นพระธรรมบทนะฮะเป็นเรื่องสองเรื่องในธรรมบทเล่มแรกคือเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองไอามาก็ยังคิดว่าจะเดินไปแนวนี้สักสักต่หลาสี่ครั้งนะฮะสี่้าครั้งจะยกตัวอย่างเป็นนิทานบุคคลขึ้นมาแล้วจะก็ว่าไปเรื่อยๆธรรมาปนันนี้ก็ขอจิตตัวเวลาเพียงเท่านี้